เรามาพักป่าเพื่อักจิตักใจใสมาเกี่ยวเฉยๆการพักกายพัคหน้าจะไปพักอยู่ไหนขอพักหัว่อนใจได้ส่วนการพักใจพักยากต้องอาศัยสถานที่อาศัยพักพวกวนจึงครูอาจารย์แนะนำสั่งสอน จงจะได้รับความสงบทักข่อนได้ถ้าหาไปด้วยเพื่อนฝงอันเดียวกันไม่มีใครสนใจจะพักใจไม่จะคุยกันไปคุยกันไปลงเนอกถึงจะเข้าไปในสถานที่เงียบสงบด้วยว่ที่เราพูดเราคุยกันสัญญามันจดจําเอามาไขรที่ กลุ่ไปในอารมณ์สัญญาต่างๆจิ ต, ตกลุ่มีวันพักผ่อนในได้สัมผัสในอัตธรรมฉะนั้นการพักจิตจึงควรต่างหาสถานที่หากัลา ย, ยาณมิตหาครูหาอาจารย์ทนนี่ท่านมีความสงบมีอัตมิธรรมในใจเรื่องหา คือหาอาจารย์หาสันสีธรรมะเป็นของหายากยิ่งกว่าหาพหาลอยหาของมีค่าทางโลกเพราะพอยของมีค่าราคาสูงถ้าเรามีเงินจะไปซื้อเอาเั่วไรก็ะไดในตลาดเขาขายกันแต่พราทีธรรมนั้นเรามีเงินเป็น ลหลายพันล้านจะไปคืบหาที่ไหนหาเนึ่งดัเป็นของหายากหาลํบาบากทักษิชนี้อาจจะทำหนึ่งสนใจอะไรเรื่อของโลกเพราะฉะนั้นเรามีเงินจึงไปซื้อไปหาของจากหนึ่งดัเพราะหนึ่ต้องการอะไรนอกจากต้องการทำ นี่เป็นการหาพระหาครูหาอาจารย์ที่มีธรรมที่เป็นเนืนาบุญของโลกนอกจากนั้นเรื่องหาพระภายในในใจของตัวเ อ, องนั้นก็ยิ่งยากเข้าไปเพราะใจของพว ก, กเราท่านเคยสะสมในเรื่องของโลกจิกข้องเกิดมาในเรื่องที่เหลปัญหา พบนักชาติเนไดล้วจะมาแก้ไขขับไล่อย่างที่เหลสปัญหาออกไปจากกายจากใจใันเป็น่องของยากแต่ก็ไม่เลวฤวิสัยของผู้ที่ตั้งใจต้องคิปฏิบัติแพื่อทำได้สิตของตนไม่อย่างนั้นทุกคนควรจะเชิญอยู่ในกองของกิเลสผู้ที่ตั้งใจต้องคิปฏิบัติการจัดภายในใจที่เคย ของจิตจิตใจโยนเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสปัญหานั้นยลายไปตกไปใสสะอาดสุขสบายแทนจึงได้เป็นสมะจรลญนะนำธรรมะมาสอนพวกเราทำไมอย่างนั้นทุกคนปฏิบัติได้ปฏิบัติได้ยอดวิสัยของผู้เชิแล้วคนนี้ใครที่จะนาธรรมะปฏิบัติธรรมะมาได้ ศาสนาโกโลมละลายไปงานแล้วนี่ไม่เป็นอย่างนั้นท่านจตั้งใจอีกครั้พย า, ายาม จ, จัดับไล่เรื่องที่เหลือันหาตั้งหน้าปฏิบัติจริงจังยังมีจุแต่ท่านเหล่านั้นไม่ได้อวยว่าท่านปฏิบัติอัตธรม่าดีดอย่างนั้นอย่งนี้เพราะเรื่องของใจท่ า, าไปถึง ความสงบสุขจริงจังมันไม่มีทายากเดินอยากดังเหมือทางโลกท่านดีจฐานที่ใดสงเงียบสงบเขาไม่เกี่ยวข้องกับสายก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่ได้เนเสียอะไรจากเขาเขาติดเงินทาก็บร่มปากของเขาก็ไม่ได้เสื่อมเสีอะไรอีกเหมือนกันท่านดีแฐานที่ใดสะดวกสบายภายในท่านอยู่เป็นเรื่อง กึมาอาจมีทำในจิตในใจในโย่ข้องยุ่งเยื่อยากดังอยเด่น่างนั้นด่างนี้อยู่นถานที่ใดพอทักพาอาศัยสะดวกสบายท่านก็อยู่ไงจิตใจของุณมเรื่อมวุ่นวายกังวลจนด่างนั้นแต่พวกเราท่านมันดังกังวลวุ่นวายคุนหา ความสงบคลองใจหาความสุขคลองใจหาทางและงัดับเกี่งความปูนคิดป <c oughs> ิดขลัง ต, าตา่างหาครูหาอาจารย์หาสถานที่แล้วก็ให้ที่นี่พีเจนมาศึกษาในตัวของออตัวเองการไปพักผ่อนสถานที่ใดตั้งใจไปพักผ่อดดนอบรมจังสอน อัดทำแต่ตวของตัวเองเราไปสถานผีนั้นนั่ง ก, ดกด็ดีเดินก็ดียืนนอนก็ดีได้ต่างหน้ า, ต, าต่างตาเสนดรักษาจิตของเราอยู่สม่ำเสมอในต่อยให้จิตคิตจริงยกห้ อ, องกับสัญญาอารมณ์ภายนอกในสอนใจให้อยู่ในวงของอัดของทำหรือปฏิบรติกรรม พุทโธพุทโธก็เหตุจิตเจตจั่งอยู่ในธรรมบริกรรมของตนจนพุทโธเป็นจิตจิตเป็นพุทโธเดิกบางรู้ตื่นอยู่ไม่มีสัญญาเริ่มส่วนอื่นมาเกี่ยวกองโลกควรใจสุขใจสบายหรือในอย่างนั้นคือจิตกาหนดลมหายใจ thở ออกเกิเป็นผีสบายของตัวก็เหตุกำหนดออกอย่างไรเข้าอย่างไรกดกาหนดอยู่นั้น เพื่อหเหตุใจหยุดการคิดถึงขานอกเราทำอยู่แต่บัดดุเมื่อไรจะถามที่ใดที่เราไปเพื่อจะให้ใจของเราสงบใจของเราสุขใจของเร า, ายเย็นเมื่อไรที่เกิดเกี่ยวกับเราอย่างนี้แต่ถานที่ที่พระพุทธเจ้าจผุดเอาไว้ทรงสอนเอาไว้ในตับตาราที่บอกว่าเป็นสัพเพ ลราจะสราบจากการการทาบาเพ็ญของปลุกคือสถาน ท, าที่ที่เราไปนั้นบางแห่งบางเห็ ง, เหทงท่างท่านที่ลองตั้งเป็นอย่างเดิมตั้งหน้าตัางตาปฏิบัติควรเป็นคงว่าจจใจจิตใจของเราก็แส่ายไปตามที่เหลืตปัญหาพอเนี้สอน ม, มาได้ดึงมาได้เยอไปเยอ ะ, ะไปทางนั้นเยอะวป ย, ยไปทางนี้ไม่มีโอกาสเวลางสงบระงับดับที่เหลื เห้ฝึกให้สบายไ ด, ดยท้ทั้งที่ตั้งใจ ท, งทั้งที่ผ่าเทียมพยายามแต่ จ, จิตม่นก็นอิเล็งไมร่รวมให้ไม่ฝุกไม่สบายให้ไม่สงบให้แต่ฐานที่ อ, อย่างนั้นถึงตปนที่เดี่ยวไม้มีคนคุกคือท <c oughs> ุกผ่านกว่าสามในเป็นสัตว์ไปน้สำหรับใจของเราเพราะใจไม่สงบไม่ล้างนะ ฐานคือใดเมื่อเราสร้างเกิดจิตใจของเราเราไปต่เพื่อปฏิบัติพอเข้าไปมันเย็นสบายอยากจะทําภาวนาแล้วเราก็มีพื้นฐานในการภาวนามาอยู่พอพอไปทำนิดหน่อยหน่อยกําหนดจิตกาหนดใจรู้สึกอ่ะมันเย็นมันสบายมันสงบลงไปใจตว่างสจไวใจเบื่ใจบานสึก ทั้งๆที่ทำเหมือนกันกับสนฐานที่อื่นแต่ก็มีคุณค่าราคาสูงสำหรับใจคือมันปลุกมันสงบให้ชุ่มชื่เในใจเหวนเคยจนในใจก็เกิดก็เห็นก็เกิดขึ้นความคิดทางด้านปัญญาเคยสงสัยในปัญหาต่างๆพอไปเจรจาไปปัญญาปกุดขึ้นเกิดขึ้นสามารถแก้ไข ขับไล่ความสงสัยต่างๆให้ตกออกไปหมดออกไปแต่ฐานที่อย่างพระพุทธเจ้าท่านนี้นสอนว่าเป็นสัพไตรยะควรอย่า ง, า, างยิ่งที่เราจะไป แ, แต่ทำบำเพ็ญเราทำจิตทำใจเพื่อหาแตานที่ในเจาทำไปทุกคนทุกแห่งทำได้ ท, ทุกแห่งทุกแห่ง ทำไปตเหหงาทำไปตัวเหินเกดจต่ตยวกะบฐานที่จเป็นปัตไยยนั้นมันเหน่อมันสบดยกว่ามันสะดวกกว่ามีผู้ปฏิทิปฏิบัติดแบบ้ดานอัด ท, ทาภายในท่านจะทราบจะเข้าใจในตัวของท่านเพราะท่านผ่านไปในถานที่ต่างๆ ต, ต่างหน้าต่างตาไปภาวานาละกิเลสช้างขีดทีดสงบ โอกาสเวลาภาวนาทำความเพียรมีมากใจจิตใจไม่เต็มไปโอกาสภาวนานี้มากเหมือนกันใจจิตใจเต็มไปแันจริงว่าเป็นจัพเพะยะอ่ะสัพเะยะคือผู้สบายไม่สบายสำหรับผู้ที่มองดูภายในใจของตัวขอเพื่อปฏิบัติเดี๋ยนี้เติมขึ้น แต่เราต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเราไปทัศนาจรธรรมดาก็ไปชมควทัศต่างๆาวัดนั้นสะอาดสะอาดัดนั้นนดูน้อาสวัดนั้ น, น, น, นกปกปกโฉมต่า ง, างๆนานาแล้วใจจะคิดจะปรุงไปเราดูภายในคือดูแต่ภายนอกเห็นก็เียงไหลสาเหวนสาจิตของเราเห็นว่าวัดสะอา สวยงามอย่างนี้ ก, ก็เพราะถ้าในวัดนั้นท่านมีอาจมีทมตั้งหน้าตั้งตารักษาขวัดรตปฏิบัติในเปอยปบ่อยป่าละเลยทำด้วยในส่ที่พระเจ้าสอนไว้วักจึงสะอแด่ถานที่จึงง่ายอยู่หน้าอาสัยแล้วมันจะสะอาดได้ได้ ก, ก็เพราะคนที่รักษาในเวลาวัดนั้นมันะาาอาดใเอง เป็นคนต่างหากรักษาขวารตืด <sack> ด <surface> ับตามทำดูหน้าตื่นพระพุทธเจ้าทรงสอนวัดจริงขวายสะอาดหน้าดูหน้าอยู่หน้าอาศัยว่าิตสงบสงโยกนหน้าอยู่หน้าอาศัยไปแล้วรู้สึกตากรอบไม่สบายพอดูอะไรตัวหนึ่งหน้าดูหือขวบไมนสบายพอฟังเรื่องอะไร ในสังคม น, นั้นพาะพิสุสามเณรเหล่านั้นพูดกันคุยกั น, นเนเหมือนกัว่านักเลงขี่เหล่าขี่กัญตาต่างๆนานานะทํารรมะที่หลุดออกจากปากไม่มีเพาจิตใจเนคิ ด, คดเรื่องอะไรมันก่อไปอย่างนั้นคนคนใหญ่แต่สา ก, กันได้ผลกันได้ ดูกันถูกเข้าใจเรื่องของคนมันก็บ่งบอกออกมาทางวาจาพวกจีรค้าขายเขากจะต้องคูยกันถ้าข า, ายอย่างนั้นถ้าขายอย่างนี้ได้กําไรดีหรือขาดทุนคนจีเป็นชาวประมองเขาหาปลาเขาคุยกันเรื่องหาปาของเขาคนที่ยวเกี่ยวกับยาเขคุกคยกัเนเนี่ย ยินเล่ามายาต่างๆนาน า, นาคนแต่กิจกรรมทํานาทํำสวนเขาขูดไปตามหาผี่ของเขาทํะะายกิจการงานเมืองปองเมืองนั่นนี่เป็นเรื่องของคนถ่วงไปเขาสนใจอะไรเขาจะเอาอันนั้นมาพูดถึงพูดไปเรื่องอื่นกวโยกเวียนมาหาเรื่องของเขาที่เคยสนใจพอบังคับ ให้มันไปกว่านีินิดหน่อยหน่อยเยอะน้อยกวกลับมาหาสิ่งที่มันสนใจมันยินดีมันทํำดุพู้ที่นี่อาจมีทำกวเมื่อวันกันท่จะพูดเรื่องอันเรื่องทำของท่านแต่ไมพุทถาการหรือครูอาจารย์ที่ประพูดปฏิบัติอาจทำสมัยก่อนหรือสมัยปัจจุบันก็่าเมื่อวันกันเมื่อตังหน้าต่างตาแตเพื่อปฏิบัติภาวนาแล้วท่านไปพบกันเห็นกัน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 ม่ว่าท่านเม่ว่าเราโดยเจนาใหญ่ไม่ใช่เชนไปแบบนั้นพอพบหน้ากันก็ถามส่างอะไรทำอะไรได้ทึ้งมาจากไหนไปแบบนั้นคือการสนใจแก้ไขจิตใจภายในนั้นหายากลนบาททางทางที่มีพระแน่ประเทศอยู่นับแสนเลยได้จำนวนมากาจริง ปริ ม, มาณแต่คุณค่าสาระจรึงจังหายยากถึงปริ ม, มาณมันจะมากแต่มันมีคุณค่า เ, เหมือนกันกับฟางผลลัพธ์เตียนขายก็เได้ทีเด็ดต่างแต่เพชรทอยม็ดเล็กนิดเดียวท่อ น, นั้นถ้าหากเป็นเพชรน้ําดีมันก็มีราคาสูงน็ดเดียวก็ขายได้มากกว่าขายฟางต่าหลายๆ่นเตียน มันผิดกันอย่างนั้นพระที่พวกเราถันเห็นก็เหมือนกันมันมีมากเราจะต้องไปที่เจอณาศึกษาที่เจอาหาครูาหา อ, ห า, อาจารย์ด้วยจิตด้วยปัญญาของเราไม่ัวว่าเป็นพระแล้วเราก็จะสาจะว่าง่ายจะควจะเืียนใสสศรัทธา่ายเดียวถ้าพระจึงมันก่อไม่มีผิด ไปส า, าหว้ไสักการะบูชาทำบุญเซ่นทางอะไรกับท่านมันก็เป็นบุญเป็นกุศลหนูมันช้าหรือแพะกันแน่ต้องดูให้ทั่วให้ถึงไม่อย่างนั้นจะถาดทุนผลกาไรไปเกี่ยวขว้องกับท่านนอกจากเสียวเวลาเสียเข่าของแล้วยังเสียใจอีกเพราะท่านนั้นไม่มีอะไร จิเป็นไปในธรรมด้วยนั้นายจะเสียใจภายหลังทุกอย่างอาศัยสติอาศั ย, ศยปัญญาที่นีพพิจรณาเสยก่อนยิ่งคอยการทาบําเพ็ญไปคนนั้นจะไม่เสียใจภายหลังเพราะคนที่มีปัญญาจะไม่เกียบคนที่ไมมีปัญญาเสมอมาในว่าทํทาจิตการอะไรทั้งหมดต้องอาศัยคนมีปัญญา รักษาพระศ า, าสนาก็อาศัยคนมีปัญญามีธรรมศาสนาจึงคงส่ืบคงวามาได้รักษาประเทศชาติบ้านเมืองก็เหมือนกันอาศัยคนมีปัญญารักษาถ้ากไม่มีปัญญารักษาใส่คนขี่ทุ ป, ปัญญาหาปัญญานี่ได้มาเป็นผู้หลกผู้ใหญ่รักษาประเทศชาติจะเล่มโจรมเสียหายไป รักษาครอบครัวก่ต่องอาศัยสติปัญญาอีกเนมือนกันเมื่ออย่างนั้นกินของและครอบครัวก็หมายถึงว่ามันขาดทุนหรือได้าำไรอย่างไรแล้วจะซื้อจะขายตลอดลทั้งลูกหลานของเราถ้าเร า, ามีปัญญาสัมมาที่จะสอนเขาเขาก็เหมืทรศัพท์เดือดใส่เด็กเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรที่จะดีะขึ้นนอกจากจะนําความเสี่มเสียมาให้ แ่เกลี่ยท่ฉะนั้ น, นปัญญาจึงเป็นเรื่องสําคัญที่พวกเราท่านควรที่นิยจารณาศึกษาแต่ปัญญาทางโลกมีตหลับตาําราพอที่จะเรียนจะศึกษาได้ปัญญาทางธรรมกว่าพอเรียนพอศึกษาได้แต่ปัญญาที่เรเรียนมาศึกษามาจากตำลับตำาเลือกฟังมาจากคือจากอาจารย์เป็นปัญญาของ ท่านฝึกเขียนเป็นปัญญาของท่านถึกพูดไม่ใช่ปัญญาของตัวเองปัญญาส่วนนี้อยู่นอกไม่ค่อยจะทัากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัญญาที่พระพุทธเจ้ า, จจาเฉลยสังไเส้นจะเป็นปัญญานั้นหมายถึงตัวของเรารเท่านแต่เพศ่อปฏิบันิไม่อาจไม่ทำเกิดเป็นเห็นขึ้นจากจิตใจของตน ม, มีอะไรมาสัมผัสเกี่ยวข้องเมื่อว่าอารมณ์ปัญญาที่เหลือตัณหาหน้าไหนเกิดเป็นขึ้นในจิตในใจเรามีปัญญาสามารถขับไล่ตัดออกเมืม่อในจิตใจเร่าร้อนเมืม่อในจิตใจเกี่ยวขอ้องกี่พันทันกับการกับเวลาอะไรเกิดขึ้นมาเราสามารถ ที่จะแก้ไขขับไล่สิ่งที่เฉื่อยเฉียว น, นั้นใจตกไปโกรธเรียบเหงื่ต่างๆมันหมดไปตกไปใจมันสว่างสวัยสิ่งที่เป็นที่เป็นภัยคนทั่วไปเดือดร้อนใจของท่านที่มีปัญญามีธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นใจของท่านเยินใจของท่านสบไม่หุนหายกังวลเหมือ น, นคนที่ไม่เด็กึกเหมือ น, นคนที่ไม่มีปัญญา นีคือปัญญาภายในจะต้องอาศัยการประทุษการปฏิบั ต, ติฝึกอดยอมจิตใจให้เป็นสมาธิคือสงบเ ย, ยือกเยินตั้งมัน่นไม่หวันไหในอารมณ์สัญญาต่างๆนานาเมื่อจิตลงเรียนได้ฝุกสบายปล่อยวางอารมณ์เงียบสงบสิ่งเราไม่เคยรู้ใจเห็นเคจอมาก่อน มันเกิดขึ้นเป็นขึ้นความเย็นความสบายนั้นมันเป็นนามธรรมจะเอามาอวดกันไม่ได้แ่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันไม่มีวัตถุมันเหมือเป็นวัตถุคนก็เลยเลยไม่รู้ไม่เข้าใจกับความสงบสงัดในอดในธรรมที่พระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์จะมาถานทั่งเลี้ยสอนนั้นมันเป็นอย่างไรกันเนี่ยมันสุขมันสบายกันแค่ไหนเพราะมันเป็นวัตถุ เขาไปมองเห็นเดยตาเนื้อของเขาเขาก็เลยสนใจแต่ความสุขเห็นนี่เป็นอย่างไรคนที่เนใจต่างหน้าต่างตาศึกษาตัางหน้าตัางตาสำละตัางหน้าต่างตาภาวนาทําความเพียรเมื่อเขาเห็นเขาเป็นทายเรยวโถแล้วมันก็หมดปัญหาความสงสัยที่เราว่ามันเป็นอย่างไรนั้นพอเราเห็นด้วยใจของเราเห็นเดือยตัวของเราได้สัมผัสเดือยตัวของเราเย็นร่านอ่อนแข็งทำไมจะเหนื่อยซ่า พ้เราเห็นเราเคลืนความสุขของโลก <c oughs> ทุกเคยทุกคนเคยแต่จบพบมาสุกเดืการในเหอนในยินริมรสเลือสืบจิ้นสัมผัสทุกเทอมนี้เราเคยแต่จบพรบมาเดวยกันทุกเทอมนนะ่ะโลกทั้งหลายจุดข้องยึดยถืออยาเป็นคของดีด น, ดนี่เถิดจนโนมดูในสิ่งเหล่านี้ไม่มีโอกาสโดยาจะโผ ออกมาหาธรรมะได้เจวพวกเราเองเคยเห็นเคยเจ็นอยู่แล้วมันฝึกแค่ไหนมันเ็นอย่างไรเนื่อมาเทียบกับใจที่รงยรวมสึกสงบจากอารมณ์สัญญาปล่อยวางที่เดือดตันหาจะเป็นคานิฆะอิจาระอัปปนาหรือเป็นอะไรก่อตามมันเกิด ม, มันเห็นมันเจนขึ้นถึงสมมติ บรรยัตทางโลกเราจะพูดไม่ออกแต่เราก็เข้าใจว่าการเปนอย่างนี้เราไม่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนพอมาอบรมจิตใจมาฝึกมาปฏิบัติจิตใจเราเห็นเราตป่นขึ้นก็เกี่ยดได้ความสุขของโลกอยู่เพรลืมหลงเผื่อเชมัวเมาเฝ้าฝันนั้นเพราะเขาไม่เห็นความสุขอัศจรรย์อย่างนี้ถ้าทุกคนเห็นเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะได้วุ่นงาลเกี่ยวข้อง พราะความสุขอันนี้เป็นของสุดสุดเลิศแต่เลิศสุดมีคุณค่าเหลือประมาณความสุขความสบายทั้งโลกนั้นมันไม่ได้เขียวเหมือนของความสุขส่วนนี้เมื่อความสุขส่วนนี้มีคุณค่าราคาสูงสุขส่วนนี้เป็นของดีเด่นยิ่งสุดเราฝุ่นนิดๆเบาๆสุ่นเฉ เราลุ่มลหลงเพื่อเทอมนั้นมันคุณค่านิดหน่อยเราจะไปเอาของหุ่ไม่มีคุณค่ามาประดับตัวพวกเราหรือของหุ่มีคุณค่าสาละสูงอย่างนี้เราจะปล่อยมันหนีเพ่งมันหนีเคลื่อนเคลื่อนอะไรหรือเราจะจะเข้าใจจะสอนใจทั้งตัวได้แล้ตัดสินใจว่าความเปลส่วนนี้ถ้านาคในต่างหนา้าต่างตาภาวนาศึกษาอบรมใจแล้ว คงไม่เห็นไม่เ่ถึงจะอายุแชเท่าขนาดไหนใจที่จะเป็นอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ถ้าคนหาเห็นอย่างนี้เขาคงใมยินดีไม่เรื่อใจในเรื่องของโลกพราเขาเห็นเขาเป็นในจิตในใจท่าเขาใจของเขาเบาสบายในเกาะเกี่ยวกับสัญญาอารมณ์อะไรเขาจึงมีการเอใจดีใจกับเรื่องวัตถุไา จาทราบจะเห็นจะเข้าใจชัดเจนในผู้ปปฏิบัติอยู่คือเรื่องของสมาธิเชื่อิตลงรวมปล่อยวางสัญญาอารมณภ์ภายนอกเข้ามานั่งมาพักผ่อนมาสงบอยู่ภายในความส ว, ว่างสวัยของใจก็เกิดขึ้นความหย่อนเย็นจิตเยืมใจก็เกิดขึ้นเมื่อจิตมีหลักฐานตั้งมั่น เป็สมาธิอย่างนั้นการภาวนาการพิจารณาสิ่งต่างๆที่เละที่เราเคยจิดข้อเคยสงสัยด้วยอำนาจความสงบของใจสามารถที่เจรนาสิ่งนั้นเห็นเด่นชัดตามเป็นจริงได้ถ้าจริงว่าสมาธิปัญญาคือสามารถแก้ไขคือเรื่องปัญหาสามารถ ขับไล่ความเสื่อเสียต่างๆนาน า, นานาที่มาย่งเกี่ยวกับใจด้วยใจข้องตัวเองจริงขึ้นใส่ตกให้หล่นออกไปได้ใจเลยสะดวกใจเลยสบางเพราะเรามีอาจมีธรรมคือมีสมาธิมีปัญญาส่วนศีลนั้นมันเป็นของงา่ายใครรักษาตัวได้เพราะศีลมันเป็นของอยาก แต่ทิ้งของหยาบๆกดกตามคนเทื่อวโลกก็ยุ่นวานกันงวนกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะรักษาขาองเที่ยงหยาบๆเท่านั้นไม่ได้ถ้าเพาะรักษาเที่ยงสีนได้เท่านั้นฆราวาสจะมีศีนของฆราวาสที่สืบานมาเนินจะมีศีนตามพระปาชิโมกตามจิตข้าวบทจีตของพะจาโมัญหยัดเอาไว้เท่งมีศีนจะดับตัว ท่านคารวะกับมืาาาอถินท่างคาอ่ะครอบครัวเหล่านั้นหรืลโลกนั้นำเสพต์นั้นถ้ามือถิ่นที่ร์หน้ากันมันก็ไม่หยุง่งโยงไม่หยุ่นวายสุขสบายในครอบครัวในประเทศชาติวัดที่ปึกตามมาโนที่อยู่ที่อาศัยต่างคนที่ต่างใจรักษาถีน่นท้องตนไม่ให้ถิ่นทองตัวยัดหายด่างท้อยหรือทะลุ ขาไปวัดนั้นก็สะดวกสบายไม่เหินวายสัตว์ข้องเพราะศีลเสมอกันศีลของหยาบเชียงแฉ่นั้นไปอยู่เดียวกันเป็นศึกแต่เปุนศึกเดียวกันในตำหนิกันว่าคนนั้นทําชั่วทําเชีอะทีจากสี้ยจากทำหนีเป็นเครื่องรักษา กายราชาภายนอกแต่รักษาใจนั้นต้องอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาต้องอาศัยการภาวนาเชื่อมจิตในอย่างนั้นจิตก็ไม่มีวันเวลาที่จะระงับดับขี้เหน็ปัญหาได้ถึงอยู่ในตาคอยอยู่ต่างแฉกกายจิตใจสายแฉกแต่เพลินไปตามเรื่องต่างๆวกวนบินวนไปในสถานที่ ไม่มีจิดหมายปลายทางไปเลยเยอยนี่คือคนจิตไม่มีสติรักษาปัญญาเนีสอนใจคนจี่มีสติปัญญารักษาใจท่องตัวเืออยู่หลังตางเตัวยจะเหนื่อยสวยงดงามใส่ใจทั้งสันเย็นใจทั้งสันเป็นอัดใจทั้งสันเป็นธรรมท่านก็สร้างงามสวยงามคนทั่วไปเหี่ยมไจศัทธาเหมือนดอกไม้ถึง จะไม่มีดอกสีสวยงามกอดตามแต่ที่เรากลิ่นมันหอมคนก็ชอบเอาไปปลูกไปรักษาไปดูชากเพราะกลิ่นมันดีถึงสีมันจะสวยดอกมันจะงามแต่กลิ่นมันไม่ดีมันก็ไม่มีใครนิยมเช่นชอบแต่กลิ่นมันเน่ามันเหม็นมันเป็นพิษเป็นภัยแล้ว มีอยู่ที่ไหนเขาก็ไปทำลายกันฉันใดทำทำสอนของพระพุทธเจ้าก็ทำนองเดียวกันเป็นของดีมีคุณค่ามีสาละที่พวกเราทุกคนที่มุงมื่งเพื่อจะนำความสุขมาให้แก่คนความสนใจตั้งหน้าไพื่อปฏิบัติรักษาใจที่เคยวาววุ่น เป็นคิดไปในเรื่องกิเลสปัญหาเมื่อเราเอาธรรมะมากําจัดคาบไล่แล้วจิตใจเสื่อมที่เคยคิดไปปรงไปจะค่อยเบาบางหรือขาดหายไปพวกเรามีติมีปัญญารักษาใจใจเลยเกิดความสงบเกิดความสว่างสวายใจเลยสุขเลยสบายทั้งทั้งจิตใจมีโรคใคยไขจิต เบียนเบียนก็ตามแต่ใจที่มีอัตเมตธรรมนั้นไม่หวั่นไหวเอ็นเอีงไปตามเรื่องของกายเพราะเรื่อของกายนี้เดี๋ย่จานาอยากตายเลี๋ยสติเดี๋ยวัญญาเดี๋ยวธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอยรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านสอนว่ารูปนี้ ไม่เป็นของกีรังอย่างยิ่มีการเกิดขึ้นแล้วนแล้วแตกสลายเป็นจุดจุดของมันเดยท่านาก็ทำนองเดียวกันมันเกิดขึ้นได้ความเจ็บปวดสุดทุกข์ต่างๆแต่มันก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นหน้าที่ของมันอย่างนั้นเราเข้าใจเดียรัญญาของเราพิจารณาทั่วถึงว่าอันนี้ เป็นเรื่องของขันไม่อยู่ในคำบังคับบัญชาของใครพอพูดไปเจ้าเลื่อนไปเจ้าถ่วงไปท่านก็บังคับไม่ได้พอเป็นเรื่องของขันขันจึงว่าอนัตตาคือบังคับบัญชามันไม่ดัมันจะเป็นไปตามเรื่องของมันอย่างนั้นเสมอไปอะไรที่บังคับบัญชาได้ความรู้ความเข้าใจเคอจิตที่ไปจิดข้องเยึดถือในสิ่งหล่านั้นเราบังคับบัญชาได้ เมื่อใจไปยึดไปเถือไปเกี่ยวไปคล้องเมื่อใจเป็นอย่างนั้นเวทนาเป็นอย่างนี้เราเป็รื่ดีละอันนี้เป็นขันไม่ใช่จิตในหัวใจคือความเป็นความเห็นของเราเป็นอันหนึ่งตังหะอันนั้นเป็นอันหนึ่งตังหะหีูไม้ที่จิตละเอียดถอปที่เจนาเดือดสมาธิปัญญาจริงจังมันแยกออกได้ มันเป็นคนละอันละอย่างเราจะทราบจะั่ยใจภายาในตัวของเราไม่ใช่ว่าเราคิดเดาเอาถ้าคิดเดาเอาพอเกิดอาการอย่างนั้นขึ้นมันจะไม่ทันกับการกับเวลาคืออากาศกิริยาท่าที่ทุกอย่างคนอื่นเห็นก็ไม่น่าดีแต่เองก็ตันหนึตัวเองว่ามันติดมันข้อง <c oughs> มันแก่มันไขมันละมันถอนในได้แต่ถ้ามันเห็นมันเป็นภายในใจละเอียดแก่ไขที่โยนาขับไล่หมดเรื่องมันขาดกันมันเป็นกนลาอันละอย่างเคยพูดเคยอธิบายเรื่องเหล่านี้แต่บางท่านบางคนก็อาจจะไม่ได้ยินได้ฟัง แต่คุณอย่างเล่านเรื่องเดิมแบบฟังทางเราเห็นเรเป็นไทนี่เราคนเรื่อความสงสัยเกิดไปทางเราเห็นเราเป็นไทยขอเราแล้วมันหายความสงสัยถ่วไปว่าอยู่เวทนาสัญญาสังขารผู้ท่านว่าเป็นขันแล้วจิตของท่านจากบริสุทธิ์นั้นมันเป็นอย่างไร มันอาศัยกันอยู่มันจะมีความบริสุทธิ์ได้อย่างไรหรือมันเป็นอย่างไรงเช่เรียวกว่า บ, บริสุทธิ์ว่าเป็นยิมุตุดี่ขาดออกไปตกออกไปพ้นออกไปจาก ถ, าจถ้าากขันธ์ผู้ฝึกปฏิบัติเท่านั้นจะรู้จะเห็นเราจะภาวนาพุทโธหรือกำหนดลมหายใจนี่จนะพิจารณาอะไรก่อตามความจิงหจิตใจของ บุคคลนิสัยของบุคคลไม่เหมือนกันท <Moi> ั่วไปคนหนึ่งภาวนาอันหนึ่งหยิดสงบหย่อนเย็นได้คนหนึ่งภาวนาอย่างหนึ่งยิดสงบหย่อเย็นได้แต่ก็ไปถึงจุดหนึ่งเขาอีกก็จะต้องเปลี่ยนไปเหมือนกันกับเราทานอาหารอันนี้อร่อยดีแต่ทานทานเ่านานๆไปมันก็เบื่ออาหารอันนั้นอาหารอะไรที่เราชอบ แล้วก็นำมาทานอีกมันก็มีรสชาติอีกแต่ทานไปนานๆนนเขา้ามันก็เบื่ออีกอยู่สัญญาอารมณ์ของใจก็ทํานองเดียวกันบางวันบางเวลาชอบบริกรรมบางวันบางเวลาชอบภาวนาแต่ก็จะสอนใจท่องตัวคึกใจท่องตัวให้อยู่ในวงของธรรมเหมือนกันกันกบอาหารเราจะทานอะไรก็เพื่อว่าจะยังร่างกายของเราให้อิ่มหนาซําราน มีกําลังกายพอทําการงานต่อไปได้นี่ธรรมะกับธรรมนองเดียวกันจะเป็นประเพีไหนถ้าเป็นธรรมะมันก็ไม่ติดทั้งนั้นผลที่สุดการกต่ทำทุกอย่างจะเป็นบริกรรมจะการเป็นการพิจารณาขวดตามมันก็จะไลหลรวมลงไปสู่จุดเดียวกันคือความสงบความฝุ่นทุกเราจะทราบจะเห็น พอมันเป็นในเราเหมือนกันกับแม่น้ำทุกสายมันจะต้องไหลลงไปสู่สมุทรทะเลเหมือนกันหมดเมื่อมันไปถึงนั้นสีของมันรสของมันเหมือนกันหมดคือรถเท็เมไม่ผิดแต ก, แ ก, แกต่างกันจะไหลไปจากทดดี่ใดทางใดสายใดก็ตามอย่จิตใจของพวกเราท่านการปฏิบปฏิบัติองค์นั้นสอนอย่างนั้นองค์นี้นสอนอย่างนี้ จะไปตั้งหนี้แบบองค์นั้นสอนผิด อ, องค์นั้นจึงสอนผิดไม่ได้เพราะท่านรู้ท่านเห็นท่านเคยปฏิบัติบําเพ็ญมาอย่างไรท่านก็เอาอันนั้นแหละมาสอนพวกเราไมไ่เอามาจากที่อื่นนี่คือการสอนโด ย, ยการเห็นการเป็นของตัวไม่ได้หยิบออกมาจากตำรับตาราที่อื่นพระนักปฏิบัติโดยส่วนใหญ่เทศโดยใครจะมีคาถมคาถาบาลีอะไร ท่านเทศไปตามเรื่องที่ท่านฝึกท่านอบรมของท่านท่าเทศแอบอิงทิ้งอาศัยบารีอย่างนั้นอย่างนี้ท่านไงยมมาท่านไปจึกษามาแต่ตำลักตำลาที่ท่านเขียนเอาไว้ก็ไม่ผิดถ้าจิตของเรามันเป็นมันเห็นมันรู้ในอดในธรรมดีชาสกสาระวท่านรู้ท่านเข้าใจจึงเอามาจีบมาเขียนเอาไว้แต่จิตใจที่ไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้น อะไรทุกอย่างมันโกหกไปหมดเหมือนกันกับนักททษอยู่ในตารางเพื่อผ้า่งใช้ต่างๆนานาเขาจะเต็นโทษอะไรเขาโียกว่าของนักททษเสือนักโทษหมวกนักโทษรองเท้านักทษทสิของนั้นหนึ่งมันหน่งดนไปเป็นโทษเป็นอะไรเป็นโทดเป็นเดือดกันไปหมดตลอดจนบุหนี่เกของเขาบ้านสองของเขาบ้านนักททษบ้าน เ, ก, เกิดบาตมาเท่กับว่าไสเพราะจบของของเหล่านั้นมันไม่ดีเท่ากันเลยรียกไปตา ม, ม เ, ม เ, าเาา ก, กิดไม่ดีนั้นจิตใจของพวกเราท่านก็มืกันถ้าจิตไม่ดีจิตไม่มีสมาธิจิตไม่มีปัญญาจิตไม่มีธรรมะถึงจะเรียนมาได้ขนาดไหนมันก็แก้ไขวิเลกปัญหาเลยได้มันยังอมอยู่ตลอดเวลาถ้าจิตเรามีธรรมะจิตเราเป็นธรรมะ จิตเราดีจิตเราวิเศษทต่างๆก็เลยเป็นธรรมะไปหมดแล้วมีอะไรที่จะเป็นไทยเป็นเวรเกี่ยตัวห้องตัวแต่นั้นธรรมะคเป็นหนาที่ของพวกเราทุกท่านควรพ้นใจนํามาอบรมและสอนการมาวัดมาวามาพักผ่อนจิต <c oughs> ใจึงวรจะหนาที่ที่จะควรทําควรฝึกเพราะการงานสิ่งอื่นเราปล่อยปละละเลยมาแล้ว แล้วไม่ไดือดเดือหามอะไรมาด้วยเราจะมาพักความจิตเก็บความสุขความสบายปล่อยวางสัญญาอารมณ์ต่างๆให้หายไปถ้าหากตั้งใจแนะนำตัวตรวจตาที่ใจนาภายในหลายใจไม่ได้ไปสัมผัสเกี่ยวข้องจะเบี่ยงนอกถ้าไปสัมผัสเกี่ยวข้องก็แนะนำว่าไม่เดืมาคิดมาเป็นส่วนนันนะเรามาศึกษาเรามาภาวนา มาชำระจิตแตสอนตัวอยู่อย่างนั้นดูจิตของตัวอยู่อย่างนั้นตรวจตาที่เคยง้าอยู่อย่างนั้นใจของพวกเราท่านจิตเคยวุ่นวายว้าเหว่ไดตามสัญญาอารมณ์ก่อนับวันนับเวลาจะสงบจะเห็นอนุสงของการประเปฏิบัติจะเห็นอนุสงของการพักผ่อนจิตมีความปลุกความสบายจะไปทําการงานคิดอ่านอะไรเมื่อจิต ได้พักผ่อนมันมีกําลังแล้วมันจะคิดได้ทําได้จะดวกสบายง่ายไม่หนักเหมือนคนมีกําลังจะขี่จะห่าบจะแดบกบจะหามอะไรก็ได้พอมันได้พักผ่อนหลับนอนได้ทานอาหารหยินน้ำํำสักลานนี่มีไป่เจ๊กกายทานอาหารเจ๊กกายเหนื่เคยทานอาหารมีเ จ, จ๊กกายพักผ่อนหลับนอนเจ๊กกายเหนื่อยเคยพักผ่อนห้ใจพักผ่อน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 มันจะไม่ีทางสงสัยเพราะใจของเราเห็นใจของเราเป็นใจของเรารู้มันจึงหมดสงสัยตกไปทุกสิ่งทุกอย่างจึงมีธรรมนะจึงไม่มีอัตขังอถาสงสัยในใจไม่ว่าการใดสมัยใดอดีตผ่านมาอนาคตยังไม่ถึงมันเป็นเหมือนปัจจุบันนันนไมีอะไรที่จะไปข้วงจิตคิดเพ่งไดอีกเพราะปัจจุบันเป็นอย่างไร อดีตอนาคตทั่วไปมันก็เป็นเหมือนปัจจุบันอย่างนั้นจิตทองทานเป็นปัจจุบันจิตทองทันเห็นเด่นชัดเรื่องทุกสิ่งทุกอง่างรวมตัวอยู่ในจิตในใจแก่ไขตกออกไปหมดออกไปสุขสงบอยู่ทุกการทุกเวลานี่คือการชำระจิตการชำระใจรวมตัวของทุกท่านจงใช้วรักษาภาวนาชำระใจ ไม่มีอะไรที่จะฝึกจะสบายเลิดประเสริฐเท่าการฝึกรวมจิตเมื่อผูกขันทั้งหลายได้ระดับแล้วฟังทำบรรยายเสียอธิบายมาจึงนําไปที่นิพพยนาในจี่สึกการอธิบายดธรรมะขออ่านเอาคุณพระสีรัตนใจสีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทรงกลุ่มครองรักษาผวกขันช่วยโดยสาจะมิสคชนทุกคนที่ต่างนาปฏิบัติมีความสึก กายสบายใจปัตตานาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงสำเร็จตามความบ่งหวังเดยกันทุกเนิดมาเทินเอล